บรรยายธรรมวิภาคนักธรรมชั้นตรีมูวที่หนึ่งโดยพระมหาเพราะทิตะสีโลเจริญสุขท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้จะได้บรรยายธรรมเกี่ยวกับเรื่องธรรมมีวรการะมากซึ่งถือว่าเป็นหลักสูตรในการศึกษาเรียนแผนฝ่ายปริาติธรรมนักธรรมชั้นตรี เพื่อให้เป็นประโยชน์กับนักเรียนนักศึกษาและท่านสาธุชนทั้งหลายผู้สนใจในการสดับกตรับฟังพระสัทธรรมสู่ต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลักสูตรของนักธรรมชั้นต้นคือนักธรรมตรีนี้ท่านสาธุชนทั่วไปอาจจะไม่รู้ไม่ทราบว่าเขาเรียนธรรมะเกี่ยวกับเรื่องอะไรกันบ้างก็นับว่าเป็นโอกาสดี ที่ทางมูลนิธิอภิธรรมมหาธานได้กรารับในการที่จะอัดเทศบรรยายธรรมในหลักสูตรธรรมนักธรรมชั้นตรีเพื่อเป็นการเผยแพร่ธรรมะให้เป็นประโยชน์กับท่านสาธุชนทั้งหลายสูบต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมวดแรกมีหัวข้อว่าธรรมมีอุปการะมาก คำว่าธ ร, รมีบการะมากก็ได้แก่สติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวทั้งสติสัมปชัญญะนี้ได้ชีอว่าเป็นธรรมีระการะมากประบบชน์ดังมารดาบิดาที่มีอุปการะมากแก่บุตรธิดาฉันนั้นคือหมายความว่ามารดาบิดาย่อมห้ามบุตรไม่ทําความชั่วให้ตั้งอยู่ในความดีคอยปกป้องเมื่อบุตร ผิดพลาดประมาทพลาดพลัง้งก็ให้กลับตั้งตัวตั้งสติขึ้นใหม่นี่แหละจึงได้ชื่อว่าทำ ม, มีบการะมากและคําว่าสติแปลว่าความระลึกได้ความระลึกได้นี้ก็คือว่าระลึกก่อนพูดก่อนทําก่อนคิดเรียกว่ามีสติรู้ตัวก่อนก่อนที่จะพูดจะทําจะคิดอะไรก็ ให้มีสติรู้ตัวก่อนเมื่อเรามีสติรู้ตัวก่อนไม่ว่าจะพูดจะทำก็ใช้สติเป็นเครื่องควบคุมหมายถึงการมีชีวิตอยู่อย่างไม่ขาดสติหรือว่าการใช้สติอยู่เสมอในการนำลงชีวิตทุกลมหายใจเข้าออกพูดจะทำจะคิดอะไรก็ตามย่อมไม่ผิดพลาดความประมาทก็จะไม่มีจะไม่เกิดขึ้น แต่ที่เราทำอะไรผิดพลาดพลั้งกันทุกวันนี้ก็เพราะว่าเราขาดสติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิริยาบถสี่ยืนเดินนั่งนอนเราไม่ได้ใช้สติกันเลยเอา้าวขอให้เราลองคิดดูว่าในอิริยาบถสีเนี่ยเวลาเรายืนเราก็ไม่ได้มีสติอ่ เาราเดินเราก็ไม่เคยมีสติเวลาเรานั่งก็ไม่่อยมีสติเวลาเรานอนก็ไม่เคยมีสติฉะนั้นคนที่ยืนเดินนั่งนอนไม่มีสติ<ม>ก็จึงมีอาการพิกลพิการต่างๆยืนก็ตัวไม่ตรงบ้างนั่งก็กิริยาอาการไม่สวยงามหรือว่าเดินก็โค้งตัวแขวนแขนซึ่งดูเป็นอาการที่ว่าไม่มีความสํารวมยิ่งเป็นเวลานอนก็ยิ่งไม่สํารวม ฉะนั้นในอิบอดสี่นี้ถ้าหากว่าเราไม่รู้จักสำรวมระวังแล้วก็จะทําให้ผู้ที่พบเห็นนั้นเกิดการติชินนินทาว่าไม่มีความสำรวมในอิบอดสี่ฉะนั้นเราจะต้องมีความสำรวมตัวสำรวมก็คือตัวสตินี่แหละเป็นตัวระวังตัวควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ยืนเดินพูดทําคิดทุกสิ่งทุกอย่าง ถ้าหากว่าเราทุกคนมีสติก็จะทำให้เรานั้นเป็นคนสมบูรณ์แบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาสตินี้ทำหน้าที่ในการพิจรารณาในกิจที่ทำคำที่พูดหรือในการปฏิบัติตามหน้าที่ที่เรามีที่เราได้รับมอบหมายให้มีให้เป็นไปฉะนั้นสตินี้จึงถือว่าเป็นธรรมที่ มีประโยชน์ต่อคนทุกคนตั้งแต่เด็กนุมสาวเท่าแก่เป็นอย่างมากพระพุทธองค์จึงได้ตรัสไว้ว่าสติโลกัตสมิชาคาโรสติเป็นทางเครื่องตื่นในโลกคือคนท่ามีสติแล้วก็เป็นคนตื่นตัวตื่นกายตื่นใจอยู่เสมอตรงกันข้ามคนที่ไม่มีสติเหมือนกับว่าเป็นคนหลับเป็นคนประมาทเป็นคนที่ ทําอะไรก็ขาดความยั้งคิดทําให้กิจที่ทําคําที่พูดนั้นบกพร่องหรือผิดพลาดไม่สมประกอบไม่บริบูรณ์ลักษณะการทํางานของคนมีสตินั้นขอให้เราสังเกตดูคือไม่ปล่อยใจให้เลื่อนลอยอบางคนนี่รู้สึกว่าใจเลื่อนลอยมากที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าได้ปล่อยอารมณ์ไปตาม จิตตามใจของตัวเองฉะนั้นคนมีสตินี้ไม่ปล่อยอารมณ์ให้ผ่านไปคือไม่ปล่อยใจให้ผ่านไปไม่ปล่อยให้ความนึกคิดฟุ้งร้างไปในอารมณ์ต่างๆและคอยเฝ้าระวังเหมือนกับจับตาดูอารมณ์ที่ผ่านไปผ่านมาทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายและใจคือระลึกไว้เสมอว่าไม่ยอมให้หลงลืม ไม่ยอมให้ขาดสติถ้าหากว่าเราทำอย่างนี้แน่นอนที่สุดเราจะเป็นคนที่ที่ทําประโยชน์ให้กับตัวเองและทําประโยชน์ให้กับผู้อื่นโดยที่มีสติระวังทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายทางใจในเมื่อตาเห็นรูปก็มีสติหูฟังเสียงก็มีสติ สมูกมลมกลิ่นก็มีสติเล่นเ ล, นล่นรถก็มีสติกายถูกต้องสัมผัสก็มีสติใจนึกคิดในอารมณ์ต่างๆก็มีสติเราลึกรู้ตัวอยู่เสมอฉะนั้นขอให้เราทุกคนลองพิจารณาดูว่าจริงอย่างที่ได้พูดได้บรรยายไหมตรงกันข้ามคนที่ขาดสติมักจะทําอะไรก็ไม่สําเร็จตามที่ตนปรารถนาหรือถึงสําเร็จก็ขัดขา ด, ขาดเกินเกินนะเรียกว่าขันขาดเกินเกิน ไม่ค่อยสมบูรณ์ดังจะยกตัวอย่างคือในสมัยก่อนนั้นการไปนมัส ก, การรอยพระพุทธบาทที่สระบุรีนั้นก็จะมีการเดินกันถ้าเป็นส่วนใหญ่การคม น, นาคมไม่สะดวกเหมือนอย่างกับทุกวันนี้ฉะนั้นคนในสมัยก่อนก็จึงมีการเดินกันไปเชส่วนมากทีนี้เวลาเดินกันไปก็โดยมากจะเดินกันในตอนทัางคืนอ่าเพราะ ว่าอากาศมันเย็นนะเดินสบายเดินงายว่างั้นเถอะก็การกฏว่าคุณยายที่บ้านหนึ่งแกก็เตรียมเดินทางไปนมัส ก, การพระพุทธบาทในตอนกลางคืนในตอนประมาณสักสองทุ่มสามทุ่มแกก็จะเตรียมเครื่องสเสบียงในการเดินทางก็คือเรื่องอาหารเรื่องกับข้าวแกก็เลยปิ้งปลาช่อนเข้าตัวหนึ่งคือตัวก็สักเท่า ข้มืหนเด็กได้ว่างั้นเถอะนะทีนี้ปรากฏวก่าแะปิ้งไฟแรงไปปิ้งไฟแรงไปไอปลาปิ้งไฟแรงมันก็ไหมดำแล้วปรากฏว่าคุณยายก็เอาปลานั่นออกมาวางไว้ข้างเตาพอได้เวลาสักประมาณสักตีสี่ได้พวกอนบ้านก็มาเรียกกันเลยออาคุณยายคุณยายได้เวลาแล้ว ที่จะออกไปเดินทางไปนมัสการพระพุทธบาทคุณยายพอได้ฟังอย่างนั้นก็กำลังหลับเพลนๆรู้สึกว่าตกใจรีบลุกขึ้นมาไม่รอช้าแล้วนะคดข้าวใส่ห่อข้าวแล้วก็หยิบปลาที่ตัวเองได้ปิ้งนั้นเอาใส่ไปในหอ่อแต่อานิจจานะหยิบผิดไปมไม่ได้หยิบปลาซะแล้วท่านผู้ฟัง กลายไปหยิบไม้ตีเพลคขึ้นมันอยู่ข้างๆมอนกันห่อใส่ไปด้วยนะห่อใส่ไปด้วยอา้าวแกก็ไม่ได้เฉลียวใจพอเดินมาได้สักค้อทางใกล้จะถึงวัพุทธบาทพวกที่มาด้วยก็บอกว่าอา้าวเราในไหนก็เดินทางกันมาก็สว่างแล้วหยุดพักเหนื่อยหยุดกินข้าวกันสักทีเถอะก็ปรากฏว่าทุกคนก็นั่งล้อมวงกันห้าหกคน ว่าใครมีอะไรก็เอามากินรวมๆกันว่างั้นนะอ่าก็ถามบอกเอา้าคุณวันนี้องห่อข้าวกับอะไรมาคนนั้นก็บอกว่ามีไข่เค็มอ้าวแล้วก็คุณล่ะนั่นก็บอกว่าปลาเค็มแล้วคุณล่เนื้อเค็มคุณนี่ล่ะไข่ทอดแล้วคุณยายแล้วมีอะไรคุณยายแกก็บอกว่าประมีปลาช่อนมาตัวหนึ่งปรากฏว่าพอหยิบแก้ปลาหอ่อปลาชอ่อนออกมาที่ไหนได้โยมเรียกว่า หากันทั้งวงเลยปลาช่อนอะไรแข็งเป๊กลาช่อนกลายเป็นขอประทานโทษซากระบือไปฉิดกลายเป็นไม่ติดเพชกไปฉิดนี่เป็นอย่างนั้นไปนี่แหละเรื่องของคนขาดสติเห็นไหมคือคือเรียกว่าไม่ได้ดูเลยว่าไอปลาดูว่าไม้เนี่ที่จริงแล้วปลาเนะี่ยมันอ่อนกว่าไม้นะ ไ, ม, ไม้มันแข็งกว่าแต่นี่แหละเพราะขาดสติจริงนอย่างนั้นฉะนั้นก็อยากจะบอกกับ ท่านผู้ฟังโดยทั่วไปว่าสตินอกจากจะเป็นตัวป้องกันการพูดการทำการคิดแล้วก็ยังเป็นตัวควบคุมพฤติกรรมทุกอย่างให้อยู่ในแนวทางที่ถูกที่ต้องให้อยู่ในแนวทางที่ถูกที่ควรแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีสติแล้วแน่นอนที่สุดข่าสุกต่างๆก็จะเข้ามารบหลุมจิตใจของเราได้จะทำให้เราพูดอะไรทาอะไรก็ ย่อมจะผิดพลาดหรืออาจจะเป็นที่จิตติชินนินทาของท่านผู้ฟังทั่วไปได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีสตินั้นถ้าหากว่าจะดูอะไรเขาก็ดูด้วยการพิจารณาจะฟังอะไรก็ฟังด้วยการพิจารณาอ่า จะโดนปรินอะไรก็ดมด้วยความพิจารณาจะลิ้มรสอะไรก็ลิ้มรส ด, ด้วยการพิจารณาจะถูกต้องสัมผัสอะไรก็ถูกต้องด้วยการพิจารณาจะนึกคิดอะไรก็นึกคิดด้วยการพิจารณาว่าถูกควรอย่างไรหรือไม่ควรอย่างไรนี่เขาจะต้องนึ ก, นกถึงอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าคนที่ไม่มีสติเลยนี่แน่นอนที่สุด พระพุทธองค์จึงได้ตรัสไว้ว่าตมาโทมัตุโนประทงังความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายนี่คนประมาทก็คือคนที่ขาดสตินะคนประมาทก็คือคนที่ขาดสตนะิคนที่ขาดสติก็เหมือนกับคนที่ตายแล้วนะคนที่ขาดสติก็เหมือนกับคนที่ตายแล้วอะไรตายอะไรตาย คือตายจากคุณงามความดีอย่างหนึ่งและอาจจะถึงตัวตายด้วยเช่นคนขับรถขับเรือขับยอดยานพาหนะต่างๆไปตามถนนไปตามทางแม่น้ำลำคลองถ้าไม่มีสติแล้วแน่นอนที่สุดรถอาจจะไปชนรถเขาได้รถอาจจะไปชนคนก็ได้รถอาจจะวิ่งออกนอกลู่นอ ก, ก, นอกทางก็ได้หรือรถคนอื่นอาจจะมาชนรถตัวเองก็ได้ ฉะนั้นสตินี่แหละจึงต้องคอยระวังอยู่เสมอคอยระวังอยู่เสมอนี่อันนี้แหละมันทําให้ตัวเรานั้นตายได้ตายได้เสียทรัพย์สมบัติได้ฉะนั้นเราจะสังเกตว่าในเหตุการณ์ประจำวันในชีวิตประจําวันของเราทุกๆวันนี้เราจะได้ยินทางหน้าหนังสือพิมพ์ก็ได้อ่านทางหน้าหนังสือพิมพ์ก็ดีหรือว่าตามทางสถานีวิทยุก็ดี เป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วใช่ไหมว่าคนเราที่ตายทุกวันเนี่ยตายเพราะยวดยานภาณนะเป็นส่วนใหญ่เนี่าชนกันมากดูที่ยิ่งถึงหน้ากระถิน่นหน้าพระป่านิดโอ้โหหน้าสยดสยองตายทีละยี่สิบสามสิบเนี่ยรถบ้าทประสานงากันหรือพวกคณะไปเที่ยวทัศนาจรขับรถขึ้นเขาลงเขาตกเหวอะไรทํานองนี้นี่มีอยู่บ่อย นี่แหละเพราะเราขาดสติเพราะเราประมาทนะเพราะเราประมาทขับทางเรือเหมือนกันสติเปรียบเหมือนหางเสือที่จะทำให้กั้เรือนั้นหันเหไปสู่เป้าหมายตามที่ตนจถนาได้แต่ถ้าหากว่าเราขาดหางเสือเรือนั้นจะไปสู่เป้าหมายไม่ได้เรียกว่าในการเดินทางก็จะต้องขวางลำขวางทาง หันรีหันขวางอาจจะต้องอับปางลงในกลางแม่น้ำในกลางทะเลหลวงก็ได้ฉะนั้นตัวสตินี่แหละเปิดเหมือนตัวหางเสือที่จะคอยหักเหให้หัวเรือ น, นั้นไปสู่ตามความมุ่งมา่นฝาดธนาได้ฉะนั้นเราทุกคนจึงต้องมีสติขาดไม่ได้และอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสติคนที่ขาดสติก็เหมือนกับคนที่ตายแล้วคือตายจากคุณงามความดี เพราะไม่มีคุณงามความดีอยู่ในใจคนเราเมื่อไม่มีคุณงามความดีอยู่ในใจอยู่ก็เหมือนกับคนตายนะอยู่ก็เหมือนกับคนตายไม่มีประโยชน์อะไรเพราะถึงเขาจะพูดจะทำอะไรมันก็ไม่ถูกไม่ต้องมันก็ไม่ควรนะทำอะไรไปก็มีแต่ในทางให้เสื่อมมีแต่ทางชิดหายอยู่ฝ่ายเดียวฉะนั้นจึงต้องบอกว่าเราทุกคนนั้นควรจะเป็นคนมีสติ อยู่ทุกเมื่ออยู่ทุกลมหายใจเข้าออกขาดไม่ได้ตราบใดที่เราขาดสติแน่นอนที่สุดเหมือนกับเรานั้นตายทั้งเป็นนะทั้งคุณงามความดีตายด้วยอทั้งตัวตายด้วยเรียกว่าตายได้ทั้งสองอย่างฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงกล่าวไว้ว่าสติมัโตสัทธาพัฒนทังคนมีสติมีความเจริญทุกเมื่อ จะอยู่ที่ไหนก็จเจริญออยู่ในกรงก็จเจริญอยู่บ้านนอกก็จเจริญอยู่ในป่าก็จเจริญอยู่บนเขาก็จเจริญออยู่ในน้ําอยู่ในอะไรเจริญทั้งนั้นเพราะคนมีสติเขาย่อมพิจารณาว่าเขาจะดํารงชีวิตอยู่อย่างไรเขาจะทําอย่างไรอจึงจะเหมาะสมจึงจะควรนี่คนมีคนมีสติแต่แต่ตรงกันข้ามคนไม่มีสตินี่ คิดอะไรมันก็ไม่ออกอาจจะทำอะไรก็เป็นสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจให้กับคนอื่นนะให้กับคนอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่าอาจจะเป็นคนเห็นแก่ตัวเรียกว่ารักขโมยจี้ปล้นข่านี่เพราะเขาเป็นคนประมาทแล้วนะเป็นคนประมาทถ้าจะพูดย้อนกันไปอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพื้นฐานของสตินั้นขั้นแรกก็คือว่า คนมีสตินั้นก็จะเริ่มตั้งแต่ว่าต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียนตั้งใจทําหน้าที่การงานน้อยใหญ่ตั้งใจสร้างคุณงามความดีคนที่ไม่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนไม่ตั้งใจศึกษาไม่ตั้งใจทาํากิจการงานน้อยใหญ่ไม่ตั้งใจสร้างคุณงามความดีนั่นแหละคือคนไม่มีสตินั่นแหละคือคนประมาทฉะนั้นสติจึงมีธรรมที่เป็นค่าสุด ที่เป็นปฏิปักษต่อกันที่เรียกว่าตัมมาทะก็คือความประมาทฉะนั้นคนประมาทนี้ไม่ใช่เป็นคนดีอันนี้เรารู้กันทั่วไปพระพุทธองค์จึงไม่สนับสนุนก่อนที่พระพุทธองค์จ ะ, สะเสด็จ ด, ดับขันธปรินิพานพระพุทธองค์ก็ได้ได้จัดไว้ว่าอปมาเทสัมมาเทถะว่าพิสุทธ์ทั้งหลายจงยังสติให้ถึงพร้อม จงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมก็คือว่าให้เป็นคนมีสตินั่นเองนคนมีสติก็เหมือนกับคนมีสตังนคนมีสติก็เหมือนกับคนมีสตังสตังหรือสตะนี่แปลว่าร้อยเช่เดียที่ท เ, รเรียกว่าสตาวัดนี่ย็เรียกร้อยปีทศวัดสิบปีทศวัดก็คือ พันปีนะอ่าโพศัรรค์นี่เป็นพันปีอนะ่ฉะนั้นไอ้คาว่าสตานี่แปลว่าร้อยในคนคนมีสติก็คือคนมีสตังนะคนไม่มีสติก็คือคนไม่มีสตังนะอ่ามันต่างกันอย่างไรให้คนมีสตังก็ลองสังเกตดูหน้าเป็นไงหน้ามันสดชื่นอ่านะใจเบิกบาน เพราะตัวเองรู้ตัวอยู่ว่ามีเงินจะซื้อกินอะไรเมื่ อ, อไรก็ได้จะใช้อย่างไรก็ได้นี่รู้สึกมันมีความสุขใจมันมีความภูมิใจตรงกันข้ามไอคนที่ไม่มีสตังค์น่ะหน้าเป็นไงท่านลองคิดดูมันเศร้าหน้าเศร้าหมองหน้าแห้งแห้งถึงจะยิ้มก็ยิ้มแห้งแห้งนะแล้วใครจะว่าสตังค์ไม่สําคัญก็ไม่ได้ ยิ่งอยู่ในภาวะที่เกิดเข้ายากหมากแพงเกิดอัคีภยัยโจรภยัยวาตาภัยอุทกภยัยแหมรู้สึกว่าเศรษฐกิจย่ำแย่เศรษฐกิจตกสะเก็ดไปทั่วทุกหัวและแห่งพวกเราเดือดร้อนเราลำบากฉะนั้นเงินนี่ถือว่าเป็นปัจจัยที่จะอำนวยความสะดวกให้กับคนเร า, อ, าอย่างหนึ่งฉะนั้นเราทุกวันนี้ก็จึงรู้สึกแสวงหาปัจจัยสิ่งนี้กันมาก เรียกว่าทำอะไรถ้าไม่ได้เงินก็ไม่อยากจะทำก็จึงเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้คนเรานั้นติดหลงไหลกับวัตถุคือเงินทองถึงกับมีการาจี้ต้นค่ากันอันนี้ก็เพราะว่าไปหลงไหลมันมากเกินไปเนีโดยที่ว่าตัวเองนั้นเอาเปรียบผู้อื่นนะไม่ยอมทำมาหากินโดยทามาหากินบนความทุกข์ของคนอื่น ด้วยการที่ต้นค่าฉกชิงวิ่งราวอะไรอย่างนี้ถือว่าเป็นทางที่ไม่ถูกไม่ควรนะเป็นทางที่ไม่ถูกไม่ควรฉะนั้นจึงพูดอีกในหนึ่งว่าคนมีสติก็คือคนมีสตังค์นะก็คือคนที่มีครบร้อยคนขาดสติก็คือคนขาดสตังก็คือมีสตังไม่ครบร้อยไอ้คนที่มันมีสตังไม่ครบร้อยก็เหมือนกับคนไม่เต็มสตินะเหมือนอย่างนั้นก็แล้วกันท่านลองคิดดูไอ้คนที่มันไม่เต็มสติเนี่ย มันเป็นคนยังไงนะถ้าเราคิดดูเป็นคนยังไงคือคนมีสติวุตระาศหรือพูดแบบภาษาชาวบ้านก็เหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นคนบ้านะเป็นคนบ้านะทําอะไรมันก็ปั้มปัมเป๋อเต๋อนะไม่ดีนะไม่ดีหรอกเราทุกคนปรารถนาที่จะมีเพื่อนเป็นคนดีเป็นคนมีสติที่จะมีแฟนมีภรรยามีสามีเป็นคนมีสติ นไม่มีใครเราที่ปรารถนาเอาคนปั้มปัมเปเบอรเข้ามาเป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นสหายเป็นภรยาเป็นสามีอย่างนั้นเราไม่ต้องการเพราะเอามาแล้วก็มีแต่ยะสร้างความเดือดร้อนสร้างความาทุกข์ให้เกิดขึ้นกับตัวเองและครอบครัววงสกุลอันเป็นทางเสื่อมเสียอและเป็นที่สิชินนินทาของคนทั่วไปได้ฉะนั้นเราทุกคนจึงจึงต้องปรารถนาความเป็นคนมีสติเนะี่ยทีนี้เมื่อพูดถึงสติก็ สตินี้เขาแบ่งออกเป็นสองขั้นคือสติขั้นต่ำกับสติขั้นสูงสติขั้นต่าก็ดังที่ได้บรรยายมาอันนี้เป็นสติขั้นธรรมดานะเป็นสติขั้นธรรมดาเป็นขั้นพื้นฐานของคนทั่วๆไปนะของคนทั่วๆไปแต่มีสติอีกขั้นหนึ่งเรียกว่าสติขั้นสูงสติขั้นสูงนี้เรียกว่ามหาสติปฐานนะหรือบางคนก็อาจจะเรียกว่า มหมาสติปัฐานสูตรคือพระสูตรว่าด้วยการตั้งสติไว้อย่างใหญ่หลวงหมายความว่าไงก็คือว่าให้เรานั้นเข้าไปตั้งสติพิจารณากายในกายาพิจารณากายในกายไม่ใช่สัตบุคคลตัวตนเราเขาเ ให้พ be ิจารณากายก็สัต์แต่ว่ากายไม่ใช่ส <Huh? S 2> ัตว <39 S 2> ์บุคคลตัวตนเราเขาให้เรามีสติพิจารณาเวทนาในเวทนาว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาให้เรามีสติพิจารณาเห็นจิตในจิตว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาให้เรามีสติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาทุ่งทั้งหมดนี้ทั้งกาย ทั้งเวทนาทั้งจิตทั้งธรรมนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่จีรังยั่งยืนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่เราจะต้องมีสติอันนี้เป็นสติขั้นถูงสติอย่างนี้พระพุทธองค์ม่จัดบอกว่าถ้าหากว่ า, าพุทธบริษัทได้เจริญมหาสติปัฏฐานกันอยู่เป็นนิดแล้วโลกนี้ก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์แต่ถ้าหากว่าพุทธบริษัท ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมไม่พากันเจริญมหาสติปัฏฐานแล้วก็โลกนี้ก็จะว่างจากพระอรหันต์ฉะนั้นใครที่ปรารถนาคุณธรรมอันสูงหรือว่ามรรคผลที่สูงยิ่งขึ้นหรือว่าต้องการที่จะทําให้จิตของตัวเองละเอียดนั้นก็ต้องเจริญมหาสติปัฏฐานซึ่งรายละเอียดจริงๆนั้นจะพูดในหมวดต่อไปแต่จะขอพูดอันนี้ไว้เพื่อ เป็นข้อกำหนดพิจารณาเล็กๆน้อยๆ อ, อย่างเช่นในข้อแรกที่บอกว่ากายานุปัสนาสติปัฏฐานก็คือให้เรานั้นตั้งสติพิจารณากายในกายนการตั้งสติพิจารณาเห็นกายในกายก็คือว่าให้เราพิจารณาร่างกายอย่าไปหลงกายอย่าหลงติดรูปคนเราโดยมากมันหลงติดรูปหลงรูปกั น, นว่าหลงว่าเป็นตัวเรา เป็นตัวเขาหลงว่าเป็นของเราเป็นของเขาเมื่อหลงอย่างนี้อุปาทานก็เกิดขึ้นเกิดความยึดมั่นถือมั่นไอความยึดมั่นถือมั่นในตัวนี่แหละที่ท่านพุท ธ, ธาทาสเคยมักจะพูดว่าตัวกูของกูนี่เนี่ยคือตราบใดที่ตัวกูของกูยังมีอยู่ในใจแน่นอนที่สุดเราก็จะมีความทุกข์มีความเดือดร้อนอยู่ร่าไปแต่ตราบใดที่ตัวกูของกูหมดไป ตราบนั้นเราจะมีแต่ความสุขใจตราบนั้นเราจะมีแต่ความสบายใจตราบนั้นเราจะมีแต่ความว่างเปล่าอยู่ในจิตใจฉะนั้นไอความยึดมั่นในตัวเราตัวเขาอันนี้แหละถือว่ามันเป็นปฏิปักษ์กับการปฏิบัติธรรมเป็นปฏิปักษ์ต่อการดาเนินชีวิตจะทำให้ชีวิตนั้นไม่เป็นชีวิตที่สมบูรณ์เป็นชีวิตที่ขาดคุณธรรมก็เป็นชีวิตที่ล่มล่มดดอน ไม่ประสบความสุขอันแท้จริงฉะนั้นคนที่หมันพิจ า, า, า, ารณากายในกายคือการพิจารณากายในกายคือให้พิจารณามองไปว่าร่างกายเนี่ยมันเต็มไปได้วยของไม่สะอาดนะเต็มไปได้วยของไม่สะอาดเต็มไปได้วยรังแห่งโรคนะสารพัดโรคสัพพ ท, ทุกสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยอยู่ในตัวเราทั้งนั้นนะไม่ต้องไปหาที่ไหนอยู่ในตัวเราเนี่ยนี่ถ้าเราลองพิจารณาอย่างนี้เราจะเกิดความเบื่อหน่ายได้ อันนี้อาตมาเคยได้ไปดูเขาผ่าศพตามโรงพยาบาลก็จะไม่บอกเราที่โรงพยาบาลไหนอเพราะว่าพูดไปแล้วก็อาจจะไม่ถูกไม่ควรได้เพราะว่าเขาห้ามคือได้ไปขอทางพวกน่วยการแล้วก็ได้ไปขอเข้าดูเขาผ่าศพซึ่งมีทั้งนักศึกษามาศึกษาเล่าเรียนด้วยศพที่เกิดอุบัติเหตุก็ดีหรือเจ็บป่วยไข้ตายก็ดีที่เขามอบให้ทางโรงพยาบาลหรือหา เจ้าของไม่ได้แล้วยังเงี้ยหาญาติไม่ได้เขาก็จะมอบทางโรงพยาบาลก็เอามาพา่านาะยรู้สึกว่าไปเห็นแล้วก็อาการที่เรามีความรักในรูปหรือความพอใจในรูปนี่รู้สึกว่าหมดไปทันทีนะอันนี้เป็นเรื่องจริงฉะนั้นจึงมานึกถึงพระพุทธเจ้าท่านสอนให้พุทธบริษัทเนี่ยให้เจริญอสุภะนะ ให้เจริญอสุภะก็คือให้พิจารณาร่างกายเป็นของไม่สวยไม่งามให้เจริญกายยคตาสติให้เรามีสติพิจารณาในกายตั้งแต่ผนผมเล็ดฟันหนังทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นของไม่สวยไม่งามเนะี่ยเป็นของปฏิกูลเป็นของน่าเกลียด น, นี่จึงเป็นนโยบายที่ทําให้จิตนั้นไม่พ้งสร้างจึงทําให้จิตใจนั้นไม่ฟูนะทาให้จิตใจนั้นไม่ทโยทะยาน ไม่ลหลงไหลในรูปนะเอาเถอคิดว่าท่อวตมาพูดเนี่ยถ้าทุกคนไปดูในโรงพยาบาลแล้วก็จะเห็นเหมือนเหมือนกันหมดเอวตมาได้ไปลองยืนดูยืนกยใกล้ๆห่างกันคืบเดียวอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเหม็นขาวมากเลยคนเราเนี่ยนะท่านผู้ฟังลองลองลอ ง, ลองนึกกลับตาดูว่าคนเราเนี่ยเหม็นขาวมากเลยนะเขาเอาขึ้นมาบนาที่ทำการผ่าตัดเนี่ยเรียกว่าเรื่องร่างกายล่อมจ้นเลย คืออาตมาได้ไปลองยืนดูยืนใกล้ๆห่างกันคืบเดียวอย่างเนี้ยรู้สึกว่าเหม็นขาวมากเลยคนเราเนี่ยนะท่านผู้ฟังลองลองลอ ง, ลองนึกหลับตาดูว่าคนเราเนี่ยเหม็นขาวมากเลยนะเขาเอาขึ้นมาบน อ, อพี่ทําการผ่าตัดนี่เรียกว่าเรื่องร่างกายล่นจ้อนเลยแล้วเวลาเขาผ่าตัดนี่เขาไม่ได้ทำค่อยๆ อ, อย่างทีเ่เราคิดอย่างเงี้ย น, นะเขาทําแรงมากเหมือนกับว่าเราเนี่ยเป็นสัตว์ ประเภทหนึ่งเหมือนกับเราเนี่ยเป็นหมูหรือว่าเป็นวัว เ, เป็นควายในบางที่นะคยต้เอาขวานฟันแรงๆบางที่ต้องเอาเลื่อยเื่อยนี่เอาขวานจามลงไปยังตรงหน้าอกเนี่ยแล้วก็แบะอกออกไปเอาตัดไปไส้ถึงออกมา อ, อกโอ้ยเหม็นคาวเหลือเกินขนาดอาตมานี่เป็นพระนี่ยังรู้สึกว่าอออืืเหม็นคาวมากคิดจะเอาผ้าจะหน้าขึ้นมาอุดจมูกอุดปากแต่มองดูไปที่หมอแล้วอะ หมอยังไม่อุดปากเราจะอุดไม่ได้นะถ้าไปอุดปากแล้วหนึ่งหมอจะว่าเราหาว่าเรานี่ยังจมงไม่ตกนะก็เลยไม่อุดลนะเพอดูหมอเขาเอามือไปเท่าจับที่โน่นจับที่นี่เลือดเนี่ยเปื้อนแดงไปหมดเลยเขามีอาการเฉยเนะอยเขามีอาการเฉยเฉยนี่ฉะนั้นเราก็ต้องทําใจได้บางคนเนี่ยท่านผู้ฟังทั้งหลายเพราะได้กลิ่นถึงกับอาเจียนโดยก็มีอาเจียนเลยดูไม่ได้บอกแค่เป็นลมอ ลองถามดูอลองถามดูอพวกนักศึกษาบอกว่าเอาเขาเองใหม่ๆก็เป็นเหมือนกันบอกว่าตอนที่เข้ามาใหม่ๆนี่ก็รู้สึกเหม็นคาวแล้วก็กลัวเลือดเห็นเลือดแล้วรู้สึกว่าแหมมันน่ามืดนี่แต่พอชินะแล้วก็สบายนะชินแล้วก็สบายมี่ฉะนั้นถ้าใครได้เข้าไปได้พิจรารณาในห้องที่เขาปาตัดแล้วธรรมะจะเกิดขึ้นนะธรรมะเกิดขึ้นจริงๆ แม้นโยบายอันนี้ถ้าหลักว่าทางโรงพยาบาลกับทางวัดเนี่ยนะที่อยู่ใกล้ๆกันแล้วที่ไหนก็ได้จัดเวรเอาพระพิสุสมัมมเนตเนี่ยไปพิจารณาไปเจริญอสุภะกรรมฐานเวลาผาตัดเหมือนกับอ่าไปศึกษาเหมือนกับนักเรียนแพทย์พยาบาลอะไรอย่างนั้นจะดีมากเป็นประโยชน์มากมีคุณค่ามากเรียกว่าเท่ากับเราดูของจริงแต่ทุกวันนี้เราพิจารณาอาสุภะกันเราไม่ได้ดูของจริงเลย ขอประธานโทษเอะเวลามีงานศพที่ไหนเนี่ยท่านลองคิดดูศพเนีบางทีอยู่ห่างไกลเลยใส่ลโองท้องไว้แลเรามองไม่เห็นเลยกลิ่นก็ไม่มีเขาฉีดยาดับกลิ่นหมดแล้วก็เอาสายศีโยงลงมาห่างกันบางทียี่สิบว่าแล้วเราก็จับสายสีได้ ก, ก็อนิจาวัฏสังขาราเนี่ยมันยังไงมันก็ไม่อนิจาจาก็เพราะมันเห็นด้วยสายสี ดีไม่ดีขอประทานโทษอาจจะทําให้จิตนี่คิดรอบก็ได้เพราะอนิจาก็นึกถึงอะไงานนี้ได้ยี่สิบาทหรือเปล่าห้าสิบาทหรือเปล่าร้อยบาทหรือเปล่านี่อาจจะคิดไปอย่างนั้นก็ได้นั่นอาจจะคิดไปอย่างนั้นก็ได้ฉะนั้นนี่แหละที่บอกว่าถ้าเราพิจารณาในร่างกายจริงๆตัวจริงๆแล้วเนี่ยเราจะไม่คิดรอบแล้วนะไม่คิดอยากได้แล้วนะไม่คิดอะไรเพราะเราเห็นว่าไอ้เนื้อหนังมังสาที่มันเป็นอย่างนี้จริงๆ นะบางครั้งเนี่ยก็แทดไม่น่าเชื่อยังสมองเนี่ยเขาเลื่อยต้องเอาเลื่อยวัน่นซะก่อนแล้วก็ดึงผมออกมาสมองก็จะหลุดออกมาเหลือแต่มันสมองกลมอยู่มันเองนี่นี่เราจะเห็นอย่างนั้นนะแล้วก็บางครั้งเราจะเห็นว่าในขณะที่หมอผ่าตัดเนี่ยนะ เขาจะบอกว่าให้ดูปอดระหว่างคนสูบบุหรี่กับคนไม่สูบบุหรี่แม่รู้สึกว่ามันห่างกันไกลห่างกันมากเลยเพราะปอดคนที่สูบบุหรี่ปอดคนที่กินเหล้าเนี่ยโอ้โหจะเรียกว่าเป็นเขียวคล้ำเหมือนกับช้ำเลือดช้ำหนองนะแต่ปอดของคนที่ไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้านี่ดูสะอาดนะดูสะอาดดูขาวใสนวลหรือว่าถ้าแดงก็แดงไปเลยนะอ่านะ อันนี้มันเป็นครึ่งพิจารณาเห็นทัดเลยว่าเรื่องร่างกายของเรานี้เราต้องรู้จักรักษาว่าควรจะเอาอะไรเข้าไปอไอสิ่งที่มันเป็นปฏิปักษต่อร่างกายที่มันเป็นพิษเป็นภยัยเป็นโทษก็อย่าเอาเข้าไปเ อ, อันนั้นมันจะทําให้เกิดรังของโรคมาเป็นที่แพร่เชื้อของโรคแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องอะระบบทางเดินอาหารอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอืมและยิ่งไปกว่านั้นอาตมาได้ ลองหลังจากที่ดูการผ่าตัดแล้วก็มีอีกห้องหนึ่งเป็นห้องเย็นห้องเก็บห้องเก็บศพไว้เขาเก็บไว้ในห้องเย็นเป็นห้องแอร์โอ้โหศพนี่สามติดติดศพเลยนอนขัามนอนหงายเลยอยู่ตามบนชั้นอะเต็มไปหมดเลยเราลองเข้าเดินไปคนเดียวเนี่ยเพรางั้นเทนะ่านั้นทำเป็นกล้าว่าะงั้นเอะอตอนเดินเข้าไปมันก็ไม่เป็นไรอะ่ะเพราะว่าเราเดินเข้าไปนี่เราเอาหน้าเข้าไปอ่าหันหน้าเดินเข้าไปก็มองเห็นอยู่ข้างหน้าเราไม่น่ากลัว แต่อีตอนจะออกรู้สึก ม, มั่าใจมาบเอาเหมือนกันกลัวว่าพอเดินออกแล้วก็เอเกิดบรรดาศกน น, นึกขลังขึ้นมายัางไงก็เกิดมานจับชายชีวอนตะกิดขึ้นมาบอกเอาวเดี๋ยวเดียวลุงพี่หยุดก่อนแล้วก็เห็นถ้าจะต้องแนบอะไรเธออีแบบนี้แล้วก็น่ะอยู่ไม่ได้ไนะนะอันนี้ก็เป็นจิตใต้สำนึกอย่างหนึ่งนะและอีกห้องหนึ่งนั่นเป็นห้องที่เก็บ ศพที่เน่านะอาจจะดูที่ไฟไหม้หรือศพที่้อยน้ําขึ้นอือขึ้นพองจนแหลก เ, เนี่ยอันนี้เป็นถังเหล็กแหมอันนี้กลิ่นแรงมากกลิ่นกลิ่นแรงขอประทานโทษในที่สุนัขที่ตายที่พูกภาษาจะวบ้านว่าหมาเน่าที่ว่ามันเหม็นนะนี่มันเหม็นมากกว่านั้นอีกหลายสิบเท่าเหม็นมากขนาดเราไปยืนดูห่างๆเนี่ยนะสักวาอย่างเนี่ไอ้ผ้าที่วอนของเราเนี่ยกลับมานี่กลิ่นเป็นกลิ่น เน่าผีเป็นกลิ่นซากศพติดมาเลยเรียกว่ามันอาจจะเป็นอุปาทานด้วยก็ได้แต่ว่าไม่ใช่เฉพาะเรารู้เท่านั้นคนที่ไม่ไปยังรู้เลยเอ๊ะรู้สึกว่าจีวานี่มันเหม็นเน่าเน่าสับ ส, บ ส, บ ส, สับสังสารชพกคนนี่ถึงขนาดนั้นมันเหม็นกลิ่นนี่จับติดเลยนะจับติดเลยนี่ก็พูดถึงการเจริญมหาสติปัฏฐานสูตรหรือมหาสติปัฏฐาน ด้วยการพิจารณาเห็นกายในกายว่ามันเป็นของอปฏิกูลเป็นของเปื่อยเน่าเป็นรังของโรคเ่ไม่ควรที่เราจะไปหลงไหลไปฝันว่านี่คือรูปของเรานี่คือของเขานี่ตัวกูของกูอะไรอย่างเงี้ยถ้าหากว่าเราพิจารณาอยู่บ่อยๆก็จะทําให้เราเน้นนักความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนได้จะไม่มีการเก่งแย่งกันจะไม่มีการทําร้ายกัน เพราะึกว่าคนเราทุกคนนั้นเกิดมาก็ตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรที่จะเหลืออยู่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้ก็จะทําให้เรานั้นละอุปาทานในความยึดมั่นในตัวตนลงได้ในตัวกูของกูลงได้มีพูดเป็น ย, ย, ย่อในข้อแรกมาเป็นแนวทางส่วนในข้อที่สองเวทนาเวทนานุ ป, ปัสนาสติปัฏฐานาให้มีสติ พิจารณาเวทนาในเวทนาก็คือว่าให้พิจารณาอารมณ์สุขทุกข์ไม่สุขไม่ทกุกข์เพราะคนเรานั้นมักจะติดอสุขก็ติดทุกข์ก็ติดไม่สุขไม่ทุกข์มันก็ติดติดทั้งนั้นเลยคนเราเนี่ยถา้าถ้าได้ที่อะไรที่มันสบายก็พอใจที่ไม่สบายเราก็ไม่พอใจอไอ้ที่นั่นนั่นเราก็เฉยเฉยเราก็เฉยเฉย แต่จริงๆเราจะติดอนเรื่องสุข ก, กับทุกข์พอใจกับไม่พอใจอาหารดีก็รู้สึกก็พอใจไม่ดีเราก็ไม่พอใจอยู่ในที่ดีก็รู้สึกมันสบายใจนั่งนอนในบนที่นอนอันนุ่มนิ่มก็รู้สึกสบายใจถ้าเรากว่าที่นอนมันแข็งกระด้างเราก็ไม่พอใจเอเราก็ไม่สบายใจอย่างนี้เราไม่สบายใจฉะ <theirs>? นั้นอันนี้เราก็ถ้าเราพิจรารณาเแียได้ก็จะทำให้เรานั้น ละอุปาทานในความยึดมั่นนในสุขทุกข์ก็ยึดมั่นในตัวเราอีกเนี่ยเพราะเมื่อตัวเรามีไอ้สุขทุกข์มันก็มี่จะต้องมีคู่กันมาแต่เมื่อเราไม่ยึดมั่นในสุขในทุกในในเวทนาคืออารมณ<ม>์คืออารมณ์สุขก็เรียกว่าสุขเวทนาทุกก็เรียกว่าทุกขเวทนาไม่สุขไม่ทุกข์ก็เรียกว่าเรียกว่าอุเบกขาเวทนาก็ได้ คือมันอยุดเฉยๆกลางๆมันเป็นกลางฉะนั้นเมื่อเราไม่ยึดมั่นถือมั่นก็ให้เรารู้ว่าไอ้สุขทุกนี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่จีรังยั่งยืนชั่วประเดี๋ยวประดาฉะนั้นเราจึงต้องเปลี่ยนอิริยบทกันอยู่ตลอดเวลาไอ้การที่เราต้องยืนเดินนั่งนอนนี่แหละก็เพื่อบรรเทาไอ้ความปวดเมื่อยเพื่อบรรเทาความปวดเมื่อยต่างๆฉะนั้นบางครั้งอิริยบทนี่มันก็ ติดบังให้อาทุก ข, ของเราอันในข้อนี้เสียได้ฉะนั้นก็ขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเวทนานุ ป, ปัสนาสติปัฏฐานาว่าให้เราพิจารณาเวทนาในเวทนาว่าไม่ใช่สัตบุคคลตัวตนเราเขามันเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราพิจารณาอย่างนี้ได้ก็จะทําให้เรานั้นมีความสบายกายสบายใจมีความสุข และในข้อที่สามจิตตานุปัจนาสติปัฏฐานาให้มีสติพิจารณาเห็นจิตในจิตก็คือว่าให้เราพิจารณาตามจิตว่าจิตนึกคิดอะไรนี่เ<ม>พราะเราโดนมากขาดสติไม่มีสติที่จะไปจับจิตที่ว่าจิตนั้นคิดอะไรบ้างวันวันหนึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งเนี่ยเราไม่เคยมีสติก็เลยอันนี้แหละจึงทำให้เราขาดนะ ขาดขาดสติที่จะไปคอยควบคุมไปคอยกำกับว่าจิตขณะนี้คิดอะไรแม้แต่เราพูดอะไรบางครั้งเราก็ผิดพลาเราคิดอะไรบางครั้งเราก็ผิดพลาเราทำอะไรบางครั้งก็ผิดพลานี่เพราะขาดสติ น, น, นี่แต่ถ้าเรามีสติคอยควบคุมคอยจับอยู่ทุกลมหายใจว่าจิตของเราขณะนี้เป็นยังไงจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะ จิตไม่มีราคะก็รู้ว่าจิตไม่มีราคาจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะจิตไม่มีโทสะก็รู้ว่าจิตไม่มีโทสะจิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะจิตไม่มีโมหะก็รู้ว่าจิตไม่มีโมหะเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้แน่นอนที่สุดเราก็จะไม่ยึดมั่นถือมั่นที่จิตเข้าไปยึดในทุกๆสิ่งทุกอย่างได้ก็จะทําให้เรานั้นคลายอุปาทานละอุปาทานถึงเราละไม่หมดมันก็เบาบางลงไปจะทําให้เรานั้นมีชีวิต สดใสใจเบิกบานและจิตของเรานั้นจะสดจะใสจะสว่างสวายนั้น mm. ก็เพราะมีตัวธรรมเข้ามาทําให้จิตสดใสทําให้จิตเศร้าหมองอฉะนั้นในข้อที่สี่ก็คือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานาให้เราพิจารณาเห็นธรรมในธรรมไม่จะจัตบุคคลตัวตนเราเข า, า, าว่าจิตที่เศร้าหมองนี้เพราะมีธรรมารมเข้ามา เข้ามาคลุมหรือเข้ามาแอบแฝงอยู่อย่างเช่นว่าคนเมื่อถูกนิวรณห้าครอบเงินก็ทําให้เกิดความ อ, อพอใจ เ, ออเกิดความพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในการสัมผัสหรือบางครั้งก็เกิดความไม่พอใจเกิดกระทบกระทั่งหินใจเกิดอาฆาตเกิดพยาบาทหรือบางครั้งจิตของเราก็สลดหดภูกง่วงเหงาหานอนไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้น อ่หรือบางครั้งจิตของเราก็ฟุ้งซ่านลำคาญใจจนทําอะไรไม่อเรียกว่าใจมันฟุ้งซ่านไปหมดฟุ้งซ่านไปหมดทาอะไรแล้วมันกระวนกระวายเดือดเนื้อร้อนใจกรัดกรุ้มไปหมดเลยนี่เรียกว่าจิตมีความฟุ้งซ่านลำคาญใจแล้วแล้วก็ หรือจิตเกิดความลังเลสงสัยในพระพุทธในพระธรรมพระสงฆ์ในบุญในบาปลังเลสงสัยตัดสินใจไม่ได้ไม่รู้อันไหนเป็นพระพุทธไม่รู้ไหนเป็นพระธรรมไม่รู้ไหนเป็นพระสงฆ์อบางคนไม่รู้จริงจริงไม่รู้จริงๆเกิดความลังเลสงสัยแม้แต่บุญบาปก็ทําอย่างนี้เป็นบุญหรือเปล่าเนาะทาอย่างนี้เป็นบาปหรือเปล่าเนาะอันนี้เกิดความสงสัยทางนั้นนี่แหละจึงทําให้เรานั้นจะต้องอ أ, รู้ได้ว่าจิตของเราเศร้าหมองอ ก, ก็เพราะมี นิวรณูปกิเลสเข้ามาปิดกั้นนะเข้ามาปิดกั้นเข้ามาคอยเครือบคลุมจิตใจของเราทําให้ให้เรานั้นไม่สามารถที่จะบรรลุคุณงามความดีได้หรือไม่สามารถที่จะให้เราดําเนินชีวิตไปตามกิจที่ทําคําที่พูดให้บรรลุตามเป้าหมายได้ก็เพราะนิวรณูปกิเลสคือกิเลสที่มันมาปิดกั้นจิตใจของเราคือนิวรหานั่นเองเพราะนั้น ให้เราพิจารณาเห็นธรรมในธรรมก็ให้รู้ว่าอาใจของเราตอนนี้อใจเป็นบุญเป็นกุศลก็รู้ว่าใจเราเป็นบุญเป็นกุศลใจเราเป็นบาปก็รู้ว่าใจของเราเป็นบาสนี่และไอบาปหมดไปเราก็รู้ว่าบาปหมดไปถ้าเราพิจารณาอย่างนี้แน่นอนที่สุดเรียกว่าเราก็มีดวงตาสดใสมีดวงใจเบิกบานมีแต่ความสุขสันต์อยู่ตลอดเวลาอ่าฉะนั้น นี่แหละคือการนี่คือการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องมหาสติปัฏฐานคือเป็นการใช้สติในขั้นสูงที่พระพุทธองค์ได้บอกไปแล้วว่าถ้าหากว่าใครดำเนินชีวิตอย่างนี้ผู้นั้นจะมีแต่ความสุขสบายและโลกนี้ก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์หรือไม่ว่างจากพระเจ้าตั้งแต่โสดาบันสกิทาสกทาคามีพระอนาคามี หรือพาาาระอรหันต์นี่จะไม่ว่างเลยฉะนั้นนี่ก็พูดเพียงย่อยๆอา้าวทีนี้ก็มาพูดถึงเรื่องสติต่อไปอีกนิดหน่อยว่าเมื่อคนเรามีสติแล้วแน่นอนที่สุดมีธรรมอีกบทหนึ่งที่เป็นของคู่กันก็คือสัมปชัญญะนะสัมปชัญญะก็คือความรู้ตัวหรือว่าความรู้สึกตัว ความรู้ตัวหรือความรู้สึกตัวก็เป็นทำข้อหนึ่งจากทำมีวกระมากสัมปชัญญะความรู้ตัวอันนี้หมายถึงรู้ตัวโดยมีสติควบคุมอยู่ด้วยคือระหว่างสติกับสัมปชัญญะนี่แยกกันไม่ออกเหมือนกับรูปตัวเรากับเงาตัวเราเนี่ยไอ้รูปกับเงาเนี่มันคู่กันไปต้องไปคู่กันอยู่เล ทสติกับสัมปชัญญะก็ต้องอยู่คู่กันด้วยกันเลื่อยไฟบางครั้ ง, งเมื่อพูดถึงสติก็ต้องพูดถึงสัมปชัญญะนะเป็นของคู่กันเรียกว่าขาดกันไม่ได้แต่บางครั้งเราเนี่ยทําอะไรมันก็ขาดทั้งสติขาดสัมปชัญญะไม่รู้ตัวเนะี่ยท่านยังมีเรื่อง เ, อเล่า ว, ว่าถึงเวลาหน้าหนาวนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามชนบทนี่ก็นักจะมาก่อไฟทําหน้าบ้าน หรือทำกลางลานบ้านนะกอบไฟอ่าแล้วก็พวกพ่อบ้านแม่บ้านลูกบ้านต่างๆก็มานั่งร้อมกั น, นที่กองไฟนั้นไม่ใช่นี้แต่พ่อบ้านแม่บ้านลูกบ้านแค่นั้นบางทีก็ยังมีอธาตุหรือบริวารของเราก็คือพวกสุนัข ก, ก็ยังต้องมาอาศัยอ่าผิงไฟอิงไฟเพื่อความอบอุ่นของร่างกายเหมือนกันฉะนั้นสุนัข ก, ก็มานอนอยู่ใกล้ๆกองไฟ อผู้พ่อบ้านในบ้านก็นั่งเรียงรายกันไปบางทีไม่ใช่เฉพาะแค่นั้นบางทีมีพวกมันเทศเอะไยก็ยังเอามาเผาในเตานั้นกิ น, นร้อนๆก็ในหน้าในฤดูหนาวก็รู้สึกว่าออกรสชาติดีเรียกว่ากไอ้ร้อนก็ควันจบปากอินกันหนาวก็ควันจบปากอินกันก็สร้างบรรยากาศดีมากในรอบๆกองไฟทีนี้ก็ปรากฏว่า ไฟพ่อบ้านคนนั้นแกก็พอเห็นไฟค่อยจะมอดลงไปแกก็หยิบปืนค่อยใส่ไปได้ด้วยอยๆนั่งสิงไปก็หยิบปืนใส่ไปหยิบฟางใส่ไปบ้างสลับกันไปปรากฏว่าขาดสติขาดสัมปชัญญะหยิบล่นไปดันไปหยิบเอาขาหมาเอาไปใส่ในไฟหามาก็ร้องนะสนะิเพราะหมาร้องแกบอกโอ๊ยตกใจหยิบต้นหมาเป็นขาฝืด น, นี่เห็นไหม มีที่ไหนหยิบดุ่นหมาเป็นขาฟืนไอ้จริงๆแล้วจะพูดบอกว่าหยิบดุ่นฟืนเป็นขาหมาหยิบดุ่นฟืนเป็นขาหมาแต่ว่ากลายเป็นว่าหยิบดุ่นหมาเป็นขาฟืนนี่มันกลับกันนะมันกลับกันฉะนั้นอันนี้แหละจึงไม่บอกว่านี่เพราะขาดสติขาดสัมปชัญญะขาดสติขาดสัมปชัญญะแต่ถ้าคนมีสติสัมปชัญญะก็ ยิบขาหมาก็เป็นขาหมาหยิบเืินก็เป็นฝืนเนะี่ยไม่ใช่หยิบดุ้นหมาเป็นขาฝืนมีที่ไหนดุ้นหมามีแต่ดุ้นเืินเนะี่ยมีแต่ดุ้นฝืนอ่านะี่เป็นเรื่องของคนขาดสติขาดสัพชัญญะฉะนั้นคนที่มีสัมพชัญญะคือความรู้สึกตัวในความรู้สึกตัวนี้อใช้ในเวลากําลังทํากําลังพูดกําลังคิดเนะ่ยคือเราจะ ทำพูดคิดอะไรนั้นจะต้องมีความรู้สึกตัวอยู่เสมออยู่เสมอว่าเราทําอะไรเราคิดอะไรเราพูดอะไรถ้าเรารู้ตัวอย่างนี้แน่นอนที่สุดกิจที่ทําคําที่พูดทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะไม่บกพร่องจะไม่ผิดพลาดจะไม่ผิดพลาดฉะนั้นตัวสัมปชัญญะนี้จึงคอยควบคุม จึงคอยควบคุมให้เราพูดเราทาเราคิดไปในทางที่ถูกหรือพูดง่ายๆว่าทำให้เราทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนั้นถูกต้องไปหมดหรือเรียกว่าเป็นไปในทางที่ชอบเป็นไปในทางที่ถูกเป็นไปในทางที่ควรสัมปชัญญะคนมีสัมปชัญญะ ย่อมจะกำจัดธรรมที่เป็นปฏิปป์หรือเป็นฆ่าศึกก็คือตัวอายั น, นะคือความโง่เขลา<ม>คนไม่มีสัมปชัญญะก็คือคนมีความโง่เขลา<ม>เบาปัญญาไม่รู้<ม>คนไม่รู้ก็คือคนโง่นั่นเองไม่รู้สึกตัวว่าได้ทำอะไรได้พูดอะไรได้คิดอะไร<ม>เราจะสังเกตดูบางคนนี่เดินไปก็ใจลอยนั่งไปก็ใจลอย คูดไปก็ป้องป้อเพระเปออันนี้แหละเป็นเครื่องเชี่ยเห็นว่านั่นคือเขาขาดสติขาดสัมปชัญญะฉะนั้นสัมปชัญญานี้จึงเป็นธรรมที่คู่กับสติย่างแยกกันไม่ออกและสัมปชัญญะยังแบ่งออกเป็นสี่ประเภทนะหนึ่งรู้ตัวว่าสิ่งที่ตนทําสิ่งที่เรากําลังทํานั้นมีประโยชน์ หรือไม่มีประโยชน์นี่คือเรียกว่าคนที่มีสัมปชัญญะว่าที่เราทําไปในขณะนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์สิ่งที่เราพูดไปในขณะนี้มันมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์สิ่งที่เราคิดไปในขณะนี้มันมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์นี่สัมปชัญญะประเภทที่หนึ่งสัมปชัญญะประเภทที่สองมีความรู้สึกตัวว่า สิ่งที่ตนกำลังทำนั้นเหมาะสมกับตนไหมถูกหรือไม่อืนี่สิ่งที่เราได้พูดไปนั้นเหมาะสมกับฐานะของตนไหมถูกหรือไม่สิ่งที่เราได้คิดอยู่นั้นกำลังคิดอยู่นั้นเหมาะสมกับตนไหมเหมาะสมกับความรู้ของตนไหมนี่คือเราเรารู้สึกตัวอย่างนี้ เรารู้ตัวอย่างนี้เรียกว่าเป็นคนมีสัมปชัญญะข้อสามรู้ตัวว่าสิ่งที่ตนกำลังทำนั้นเป็นความสุขหรือว่าเป็นความทุกข์รู้ตัวว่าที่ตนกำลังทำนั้นเป็นความสุขหรือว่าเป็นความทุกข์รู้ตัวว่าสิ่งที่ตนกำลังคิดกำลังพูดนั้นเป็นความสุขหรือเป็นความทุกข์ หรือว่าเป็นความสุขของตัวเองแต่ว่าเป็นความทุกข์ของผู้อื่นหรือว่าเป็นความสุขของผู้อื่นเป็นความทุกข์ของตัวเองนี่เราต้องรู้ตัวนะรู้ตัวอยู่เสมอร่างการที่สี่ต้ววงตอ ง, ง <ância> ร, อรู้ตัวว่าสิ่งที่ตนกําลังทานั้นเป็นความดีหรือว่าเป็นความชั่วรู้ตัวว่าสิ่งที่ ตนกาลังทานั้นกำลังคิดนั้นกำลังพูดนั้นเป็นความดีหรือว่าเป็นความชั่วถ้าหากว่าเป็นความชั่วเราก็เปลี่ยนแปลงเสียมใหม่ถ้าเป็นความดีเราก็ทําต่อไปพูดต่อไปคิดต่อไปแต่ถ้าไม่ดีเราก็ปรับจิตกรับใจใหม่อย่างนี้เรียกว่าเป็นคนมีความรู้สึกตัวเรียกว่าเราใช้สัมรัญเนื้อฉะนั้นก็พูดแบบสรุปได้อีกอย่างหนึ่งว่า คนที่มีสติสัมปชัญญะนั้นก็เท่ากับว่าเป็นคนที่ใช้ชีวิตได้สมบูรณ์ที่สุดเพราะว่าการปฏิบัติธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นจะขาดธรรมะข้อนี้ไม่ได้ก็คือสติกับสัมปชัญญะฉะนั้นอุปกรณ์ของการเรียนการศึกษาการปฏิบัติธรรมซึ่งพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าขาดไม่ได้ก็คือหนึ่งคือความเพียรอาตาปี สองสติมาต้องมีสติสามสัมปชัญญะต้องมีความรู้สึกตัวมีความรู้ตัวอยู่เสมอฉังนั้นคนที่มีสติสัมปชัญญะก็เท่ากับว่าได้ทาได้ประพฤติรม ท, ที่มีวุคคละมากคือคนจะประพฤติทมปฏิบัติรมอะไรก็แล้วแต่ในธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงมีทั้งหมดถึงแปดห0ื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ แต่ถ้าหากว่าขาดสติเสแล้วก็เท่ากับว่าเรานั้นจะพูดทันปฏิบัติธรรมพูดธรรมไม่ถูกพูดธรรมไม่ถูกหรือพูดถูกเหมือนกันแต่ว่ายังมีความผิดพลาดแต่ถ้าเรามีสติสัมปชัญญะในการปฏิบัติธรรมในการศึกษาเราเรียนธรรมในการสนทนาธรรมแน่นอนที่สุดเท่ากับว่าเรานี้ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมขององค์สมเด็จตัณฑ์มาถึงเจ้าทั้งหมดได้อย่างถูกต้องและเป็นไปโดย ราบรื่นและจะทําและแต่ยังจะได้ชื่อว่าเรานั้นได้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมสมควรแก่ธรรมกระทั่งคนมีสติสัมปชัญญะจึงเหมือนกับว่าเป็นคนมียาประจําบ้านงไอตำรายาหลวงยาประจําบ้านี้เมื่อเวลาเจ็บปวดปวยไข้ก็ยิตเอามาใช้ได้ทันทุกทีข้อนี้ฉันใดอ่า คนที่มีสติสัมปชัญญะก็คอยเตรียมตัวไว้ควบคุมในเมื่อตัวเองนั้นจะผิดพลาดประมาทมาวลเอ่าหรือโง่เขลาเบาปัญญาก็คอยมีสตินั้นคอยควบคุมไวเหมือนกับว่าเป็นยาคอยสมานแผลหรือว่าความซุกช้ำดำเขียวฉะนั้นขอให้เราทุกคนนั้นจงติอพอาทธรรมคือความเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะ แล้วเราก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญในที่สุดแห่งการาบรรยายธรรมเกี่ยวกับเรื่องธรรมมีปการะมากสองอย่างคือหนึ่งสติความ ล, ลึกได้คือก่อนพูดก่อนทำก็มีสติอสองสัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวรู้สึกตัวว่าในว่า เรากําลังพูดกําลังทํากําลังคิดอะไรเราก็มีความรู้สึกตัวมีสัมปชัญญะและสติมีธรรมที่เป็นปฏิปักษ์มิตรธรรมที่เป็นค่าสึกก็คือปะมาทะคือความประมาทความเผลอเรอความเผลอตัวสัมปชัญญะมีธรรมที่เป็นปฏิปักษ์เป็นค่าสึกก็คืออายานะความโง่เขลาเบาปัญญาฉะนั้นเมื่อเรามีสติมีสัมปชัญญะเราก็จะไม่ประมาทเราก็จะไม่เผลอ เมื่อเรามีสัมปชัญญะเราก็จะมีแต่ความรู้สึกตัวเราทำอะไรก็ไม่ผิดพลาดเราก็จะมีแต่ความเจริญรุง่งเรืองขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายที่ได้ตั้งใจฟังมาตั้งแต่ต้นจนจบจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีโดยทั่วกันขอเจริญพร